เพื่อนๆฉันรู้ดีค่ะเพื่อนๆมาเติดพวกเราไว้ยเยาวชนคนดีของชาติทำบุญตักบาตรจศาสนารักษาศีลธรรมเขาวัดอบรมเพีนบ่มนิสัยน้ำใจชุ่มชำเลิกก่อบาปกรรมคิดทำผู้ดีไม่ ถงจะโดยจนเป็นคนทั้งที่ต้องมีสินหาและเว้นเค้นข่าไม่ฉกยิบช่วยชิงสิ่งของใครและผิดในกวาวยาผู้ตามความจริงยิ่งใหญ่สิ่งเสร็จติดใดเราไม่นำพากราทิ้งอบายนักเรียนพุทธทา รออีกไม่นานอนาคตมีคนดีทวนทัวหยุดความเลวชั่วขจัดปัญหาเลกร้ายราวีแผ่เมตตาทำคุณตื่นโลกาเื้อนุนปราณีรวมหมู่คนดีช่วยกันเชิญชูขอบกูุศลธรรมเสียชีพิกะเสียสินหา